มีมีปราดจีนผู้หนึ่งท่านสอนธรรมะได้แยบคายดีนะท่านอุปมาอุปไมยว่าชายคนหนึ่งกำลังกั่นเชียงเรืออยู่แล้วจูจ่ๆก็มีเรือเปล่าแล่นมาชน ถึงแม้คนที่กันเชียงเรืออยู่นี่จะเป็นคนที่เจ้าโทสะนะแต่ถ้าเห็นเรือเปล่าแล่นมาชนก็คงจะไม่พูดไม่จาหรือไม่ต่อว่าอะไรในทางตรงข้ามถ้าเกิดว่าเรือนั้นเนี่ยเรือที่แล่นมาชนนี่มีคนภายเรืออยู่บนนั้น เรือกันเชียงเจ้าของเรือกันเชียงก็คงจะตะโกนด่าว่าถ้าเรือนี้ยังยังยังพุ่งตรงมาชนก็คงจะดาเสียให้หายแต่เนื่องจากเรือนั้นเนี่ยมันเป็นเรือเปล่าที่แล่นมาชนถ้าเป็นเราเราก็คงจะ ไม่พูดอะไรเหมือนกันนะเพราะมันไม่มีคนอยู่แต่ถ้ามีคนอยู่ในเรือนั้นก็ต้องต่อว่ากันถึ ง, ถงกับด่าว่าด้วยความโกรธแค้นนะอันนี้ท่านปราผู้นี้ท่านต้องการสอนอะไรนะท่านต้องการสอนว่าให้เราเนี่ยให้เราทำเรือของเราให้ว่างเปล่า ถ้าเรือของเรานี่ว่างเปล่าไม่ว่าจะไปเจอใครนะก็จะไม่มีใครต่อว่าไม่มีใครถือสาอะไรทําเรือให้ว่างเปล่าหมายถึงอะไรก็คือหมายถึงทำใจให้ว่างเปล่าว่างเปล่าจากอะไรว่างเปล่าจากตัวตน เมื่อใจว่างเปล่าจากตัวตนแล้วนี่<ม>ก็เรียกว่าไปตลอดไม่ใช่เพราะไม่มีใครว่าไม่มีใครกันแกล้งนะแต่เป็นเพราะว่าไม่ไม่มีอะไรที่จะมารับรู้คำด่าว่านั้นนะมันว่างเปล่าเสร็จแล้วเนี่ยว่างเปล่าจากตัวตนเสร็จแล้ว ก็ไม่มีตัวกูเป็นผู้ทุกข์ร้อนนะไม่มีตัวกูเป็นผู้รู้สึกเจ็บปวดอะไรอันนี้เป็นการสอนธรรมะขั้นสูงนะก็คือการสอนที่เราไปถึงขั้นที่หลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นนะในในตัวตนเห็นความจริงว่ามันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวกู ซึ่งที่จริงก็เป็นการปรุงแต่งขึ้นมาถ้าพอใจว่างเปล่าจากตัวตนแล้วนี่คำชมคำสรรเสริญก็ไม่มีความหมายนะคือว่าไม่รู้สึกกร ะ, กระเทือนอย่างที่เล่าเมาื่อวานนะท่านอากูอินที่ถูกใส่ร้ายว่าไปทำสาวชาวบ้านท้อง นคลอลูกออกมาคนก็ด่าว่าท่านท่านก็เฉยพูดสันส้นๆว่อาอย่างนั้นเหรอไม่เถียงไม่แก้ตัวแล้วก็ไม่ตอบโต้ขั้นความจริงมันปรากฏออกมาว่าท่านบริสุทธิ์คนก็ชมท่านว่าโอ้ท่านเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ที่สมกับเป็นพระท่านก็เฉยเฉย เพียงแต่พูดสั้นๆว่าอออย่างนั้นเหรอคนที่เรียกว่าทำทำเรือให้บ้างเปล่าเนี่ยก็มีอาการอย่างนั้นแหละคือสงบนิ่งได้ไม่หว่นไหวกับสิ่งที่มากระทบจิตไม่ฟูไม่แฟบนะแต่บางครั้งนะคนที่ วางปากจากตัวตัวนี้ก็ไม่ได้แปลว่าต้องนิ่งเฉยนะบางทีก็อาจจะพูดอาจจะโต้แย้งได้เหมือนกันแต่ว่าทำไปด้วยความรู้สึกที่จิตใจข้างในไม่หวั่นไหวอะไรได้อ่าเรื่องราวของหลวงพ่อประสิทธิ์ถวาวาโรนะวัดทรใหญ่ปริกแล้วก็มีแม่ชีหลายท่านมาจากที่นั่น นะท่านก็มีประวัติที่โลดโผนพอสมควรแม้เมื่อมาบวชพระแล้วก็ก็จะเจอเจอคนมุ่งร้ายนะพ่อวัดที่ท่านอยู่นี่อยู่เกาะสีชังนะนักเลงท้องถิ่นนะก็อยากจะครอบครองวัดอยากจะได้ที่วัดนะอันนี้ก็เป็นธรรมดานะของเกาะหลายๆเกาะ คนมันพอหน้ามือตามัวก็ไม่สนใจพระสนใจเจ้าก็จะหาทางขับไล่พระออกไปท่านท่านก็ต้องเจอกับคนเหล่านี้นท่านท่าเราว่าเหมือนกับอยู่ในดงสุนัขยิ้งจอกนะคือคนที่พร้อมจะมุ่งร้ายด่าว่าบ้างบางทีก็ทําร้ายก็มี เดินมีนทบาทอยู่ดีๆก็เดินมีคนมาผลักคนมาชนให้ตกให้ลม้มก็มีท่านท่านก็ไม่ถือสาอะไรแต่ว่าก็ไม่หนีไม่ใช่ไม่หนีเพราะว่าห่วงที่นะแต่ว่าก็นึกถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับสบรรพชีวิตก็มีคราวหนึ่งก็มีคนมาดา่าท่านเดินอยู่ก็มีคนมาด่าว่าเส้เสห้หาย ท่านก็เลยเดิ น, ดนตรงไปแล้วพูดขึ้นว่ามึงด่าใครไอ้ชายคนนั้นก็บอกว่าก็ด่ามึงไงท่านก็เลยตอบว่าเออแล้วไปที่แท้ก็ด่ามึงทีหลังอย่าด่ากูนะถ้าด่ากูเมื่อไหร่นี่ไม่ได้นะไอ้นั่นงงเลยนะตะกลงยังไงกันแน่วะนะเข้าใจบ่แม่เพียน ท่านถามว่าท่านท่านถามว่ามึงด่าใครไอ้นั่นก็บอกว่าด่ามึงเนี่ยท่านก็ตอบว่าอ๋อแล้วไปที่แท้ก็ด่ามึงนะอย่าด่ากูแล้วกันนะ <c oughs> คนที่จะพูดอย่างนี้ได้นี่ต้องข้างในนี่ต้องโปร่งโล่งนะเบาเพราะไม่งั้นเนี่ยพอถูกคนด่าว่านี่ก็จะโกรธนะอยด่ากูด่ากูแต่ท่านไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยไม่รู้สึกว่าเขาด่ากู ก็กลับพูดให้เจ้าหมอ น, นั่นมันงงซะวะ่าตกลงด่าใครกันแน่ว ะ, นะะก็งงไปเลยนะคือบางทีก็ต้องตอบโต้นะแต่ตอบโต้ไม่ใช่ไม่ใช่ตอบโต้ด้วยด้วยด้วยความโกรธนะแต่ก็ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งก็งงไปเลยนะอันนี้เราจะไปใช้ก็ดได้ น, นะหรือไปเอาไปเอาไป เป็นอุทาหรสอนใจนะเออเวลาใครเขาด่าก็ถามว่าเขาด่าใครถ้าเขาบอกว่าด่ามึงก็บอกเออดีแล้วนะอย่าด่ากูแล้วกันนะก็ไม่มีอะไรนะต้องต้องมีอุบายแบบนี้บ้างนะจิตใจของคนที่ไม่มีตัวตนนี่เขาไม่หวั่นไหวนะไม่มีความกลัวไม่มีความโกรธอย่างที่เคยเล่านะพระ พระที่พระเนเ ก, กาหลีนี่เจอศึกสงครามใครๆก็หนีหมดหนีจากวัดนะแต่ว่าท่านไม่หนีจนกระทั่งแม่ทัพของฝ่ายที่เขามายึดบ้านยึดเมืองนะเขาม า, าพวกนี้เขาก็ไม่ได้นับถือพุทธศาสนานะาลับเขานับถือรัฐที่คงจือ้อคงจือกับพุทธนี่ก็ไม่ค่อยถูกกันในบางยุคบางสมัยนะ อาจจะเพราะความอิจฉาก็ได้เช่นถ้าพระเจ้าแผ่นดินเป็นสนับสนุนอุปถัมภ์พุทธศาสนาคงจือเขาก็จะไม่พอใจแลบางทีพุทธก็ไม่พอใจนะถ้าเกิดพระเจ้าแผ่นดินอุปถัมภ์คงจือนะมันเป็นเรื่องของความนะความยึดติดในผลประโยชน์ชาวพุทธเราก็มีเหมือนกันในประเทศลังกาญนี่ก็ทะเลาะ ก, กันระหว่างสองนิกายเป็นเทรวาททั้งคู่นะ พระเจ้าแผ่นดินสนับสนุนนิกายนี้อีกนิกายหนึ่งก็ไม่พอใจก็พยายามปรับดันให้มีพระเจ้าแผ่นดินที่สนับสนุนนิกายของตัวก็ยื้อกันไปยื้อกันมาบางทีก็ทะเลาะ ก, กันถึงกับขั้นทําร้ายกันก็มีอันนี้ก็พูดถึงแม่ทัพที่พอยึดเมืองได้ก็ตั้งใจจะทำร้ายวัดพุทธศาสนาก็นึกว่าบรารมี ของตัวนี่จะข่มให้พระหนีกระเจิงแต่บอกว่าเจ้าวาดไม่หนีแม่ทัพก็ต้องการแสดงอำนาจก็พูดกับเจ้าวาดว่าเนี่ยท่านรู้ไหมว่ากำลังอยู่ต่อหน้าใครข้าพเจ้านี่สามารถที่จะฟันท่านให้ขาดสองท่อนได้โดยไ ม, ม่กระพริบตาพูดอย่างนี้เจ้าวาก็ ไม่วันไว้ก็บอกว่าข้าพเจ้าก็เป็นคนที่พร้อมที่จะถูกฟันให้ขาดสองท่อนได้โดยไม่กระพิปตาเหมือนกันนะฝ่ายหนึ่งใครจะแน่กับการลองฝ่ายหนึ่งที่พร้อมจะฆ่าคนโดยไม่กระพิปตากับอีกฝ่ายนี้พร้อมจะถูกฆ่าโดยไม่กระพิปตาพอเจอคนจริงแบบนี้เข้านะก็ยอมแพ้นะ แล้วคนที่จะพูดอย่างนี้ได้เจ้าว่าที่จะพูดอย่างนี้ได้นี่ก็ต้องเป็นคนที่ไม่กลัวไม่กลัวตายนะแล้วที่ไม่กลัวตายส่วนหนึ่งก็เพราะว่าสาเหตุสำคัญก็เพราะให้ความยึดมั่นถือมั่นในในตัวกูกมันไม่มีแล้วก็ไม่กลัวไม่มีความรู้สึกว่าจะมีมีผู้กลัวนะความกลัวไม่ไม่มีแล้วเพราะความกลัวมันเกิดจากการยึดมั่นถือมัน่น ในตัวตนพอไม่มีแล้วก็พร้อมนะอา น, นิการปฏิบัติของเรานะก็ต้องก็ต้องเป็นไปเพื่อให้เข้าถึงความจริงอันนี้นะในเรื่องของความไม่ยึดไมยึดมั่นถือมั่นในในตัวตนนะซึ่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องคิดเอานะแต่มันเป็นเรื่องที่เกิดจากการเห็นความจริงเห็นความจริงโดยมีสติ นะดูกายและใจเห็นอารมณ์ที่ปรุงแต่งแล้วก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นนะว่ามันเป็นเราเป็นของเรานะสังเกตหรือเปล่าเวลาเราโกรธเวลาเราโมโหเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ากูโกรธกูโมโหไม่น้อยคนที่จะเห็นความโกรธที่มันเกิดขึ้น้ออีงอยู่ในใจหรือพลุ่งพล่านอยู่ในใจรือที่ไม่ได้รู้สึกยึดมั่นถือมั่นไปกับมัน แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะถ้าเรามีสตินะก็จะเห็นไ อ, อ้อ น, นี้มันก็เกิดขึ้นกับใจแต่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะให้เห็นได้แบบนี้เวลาเห็นกายเคลื่อนไหวนะก็เห็นว่าไอ้ที่เคลื่อนไหวนี่คือกายคือรูปไม่ใช่เรานะถ้าจเจริญสติถ้ามีสติรู้ดูกายดูใจก็จะเห็นตรงนีนะ้มันไม่ใช่เรื่องที่จะคิดเอาเองก็เห็นเป็นขณะขณะ ต่อไปความจริงมก็จิตมันก็ยอมรับความจริงได้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรารูปและนามกายและใจนี่นะเมื่อใดก็ตามที่เผลอคือลืมตัวมันก็มันก็หลงเมื่อหลงเมื่อไหร่ก็ปรุงแต่งความปรุงแต่งตัวกูขึ้นมาเกิดความสชืเป็นตัวกูแต่พอมีสติไอตัวกูก็หายไป นะมันมันเป็นปลปักกันนะมีตัวมีตัวกูเมื่อไร่ก็แสดงว่าไม่มีสติแต่เมื่อมีสติครองใจนะไอ้ตัวกูก็หายไปมีคราวหนึ่งสมัยที่หลวงพ่อเทียนท่านยังมีชีวิตอยู่ตอนที่ท่านออกจากวัดป่าพุทธยานวัดป่าพุทธยานนี่ก็ถูกน้ำท่วมก็มีสร้างก็ไ <c oughs> ม่มีน้าท่วมก็มีการเวรคืน สร้างวิทยาลัยครูเดี๋ยวนี้เป็นราชพัฒแล้วนะช่วงหนึ่งประมาณช่วงปีหนึ่งแปดท่านก็มาได้รับนิมนต์ให้มาที่แถววัดชประฐานก่อนที่จะมาบุกเบิกวัดสนามในนะท่านก็มาสอนพระนะที่มามาฝึกอบรมกันที่ที่นั่นล้วก็ได้พบกับอาจารย์โกวิทย์ อาจารย์กยูวิท ต, ตอนนั้นยังบวชพระอยู่นะแล้วท่านก็ได้รู้จักแล้วก็ศรัทธาในอาจารย์ในหลวงพ่อเทียงก็ตอนนั้นแหละหลวงพ่ออาจารย์กูวิทยก็เล่ฟังว่ามีช่วงหนึ่งก็มีการอภิปรายกันระหว่างศาสนาก็มีพุทธมีคริสต์มีอิสลามฝ่ายมุสลิมที่มาพูดอภิปรายให้พระฟังก็เป็นทัดยีประยูน ฮัตย์ยยูนนี่ก็เป็นเป็นไกลแลิดกับธ่านาจารย์พุทธทาสแะเป็นเกลอกันถึงแม้ว่าคนศาสนาฮัตย์ยิปยูนก็พูดตอนหนึ่งว่าถ้าเมื่อใดที่มีพระอัลเลาะห์นะก็ไม่มีฮัตย์ยิปยูนเมื่อใดที่มีฮัตย์ยิปยูนก็ไม่มีพระอัลเลาะห์นะคนฟังก็ไม่เข้าใจแต่ว่าพอพูดจบจบการพิปรายก็หลวงพ่อเทียนนั่นก็ ลงมานะแล้วก็มาเดินมาหาฮ ادي ปายูนแล้วก็จับไม้จับมือว่าเนี่ยพูดถูกพูดถูกนะหลวงพ่อเทียนก็ไม่ได้นะก็ไม่ได้เชื่อในพระอัลเลาะห์นะแต่ว่าสิ่งที่ฮ ا ิ ي ป, ปะยุนพูดเนี่ยมันก็ตรงกับที่พุทธศาสนาสอนแต่พุทธศาสนาไม่ได้ไม่ได้พูดอย่างนั้นโดยตรงนะ คือพระดิพโยนต้องการอธิบายว่านะเมื่อใดก็ตามที่จิตใจนะสัมผัสหรือเข้าถึงพระเจ้าให้ความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูมันก็ไม่มีเมื่อใดก็ตามที่มีความยึดมั่นถือมันว่าเป็นตัวกูก็กไ ม, ไม่ไม่สามารถจะสัมผัสหรือเข้าถึงพระเจ้าได้พุทธศาสนาเราไม่มีพระเจ้าแต่เรามีนะ มีพุทธภาวะมีเรื่องความรู้สึกตัวเมือเ่อใดก็ตามที่มีความรู้สึกตัวนะเมื่อนั้นในความสําคัญว่าเป็นตัวกูก็ไม่มีเมือเ่อใดก็ตามที่มีความสําคัญว่าเป็นตัวกูความรู้สึกตัวก็หายไปในะความรู้สึกตัวก็กับสตกิก็เป็นเรื่องเดียวกันหรือใกล้เคียงกันนะสติคืคอระลึกได้สัมปชัญญะคือ ความรู้ตัวถ้าจะพูดให้เคร่งครัตชนะความรู้สึกตัวคือสัมปชัญญะนะแต่ว่าเราจะเรียกว่าสติก็ได้งั้นถ้าเรามีความรู้สึกตัวในความยึดติดถือม า, าเป็นตัวกูก็หายไปแต่ว่าเราก็อย่างที่เราสังเกตได้กับตัวเองนะว่าเราไม่ได้มีความรู้สึกตัวอยู่บ่อยๆมันก็เป็นขณนะขณะแต่สิ่งที่เราพยายามทํา ก็คือพยายามสร้างความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะจะให้ความคิดนึกปรุงแต่งมันแย่งไปความคิดนึกคิดนึกคิดปรุงแต่งมันก็คอยแย่งเอาแย่งพื้นที่นะคอยจับจองพื้นที่ในจิตใจเราพอมันจับจองเมื่อแล้วความรู้สึกตัวก็หายไปเหมือนกับเก้า e อี้ดนตรีนะเก้าอี e ้เนี่ยนะถ้าถ้าเราเคยเล่นเก้า e อี้ดนตรีใช่ไหมถ้าเกิดว่ามีคนมานั่งเก้าอี้เนี่ยเราก็ต้องยืน เราก็ต้องหาทางจวยโอกาสมาเป็นฝ่ายนั่งให้ได้เก้าอี้นี่มันก็นั่งได้คนเดียวจิตใจของเราก็เหมือนกันนะถ้าความหลงหรืออารมณ์มันคลองใจสติก็ไม่สามารถจะเข้ามาสู่จิตใจได้แต่ถ้าว่าสติเข้ามาคลองใจเมื่อไรหร่อารมณ์ความรู้สึกตัวหรือความหลงพูดง่ายๆความหลง ซึ่งรวมไปถึงความยึดมั่นถือมั่นมันก็เกิดขึ้นไม่ได้หน้าที่ของเราคือต้องพยายามสร้างพยายามทำให้สติมาครองใจเราบ่อยๆนะมันเป็นขณะขณะความรู้สึกตัวเป็นขณะขณะนะถ้ารู้สึกตัวว่ า, ถ, าถ้ามีความถ้ามีความเข้าใจว่าความรู้สึกตัวนี่มันมันเป็นสายเป็นเส้นนี่อันนี้ก็ยังไม่ใช่แลยนะมันเป็นการเพ่งหลวงพ่อกำเขียนท่านก็เปรียบเหมือนกับว่าความรู้สึกตัวมันเหมือนกับ ข้อต่อของโซ่นะเป็นข้อๆนะมันไม่ใช่เหล็กเส้นถ้าเหล็กเส้นนี่มันไม่ใช่ความรู้สึกตัวแล้วมันเป็นการเพ่งเอาความรู้สึกตัวเป็นขนาดขนาที่ต่อเนื่องกันเหมือนกับสายเหมือนกับโซนะ่ที่เชื่อมร้อยกันเป็นข้อๆแต่ว่าคนที่ปฏิบัติใหม่ๆไอ้โซ่นี่มันก็ไม่ค่อยยืดไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ คือมันสั้ น, นสีห้าข้อก็ขาดแล้วสีห้าข้อก็ขาดแล้วก็ต้องทำให้มันยืดให้มันยาวนะเป็นเป็นเส้นที่เป็นสายโซ่ที่ยาวก็คือมีความต่อเนื่องเป็นขณะขณะนะอย่างต่อเนื่องนอ น, นี้เราก็การปฏิบัติก็ต้องจับจับหลักให้ได้นะอย่าไปเอาเพียงแค่ความความส บ, า, มสบายความเพลินนะหรือความสงบ ให้ความสงบนี่มันแค่อยู่นิ่งๆไม่ต้องทำอะไรมันก็สงบได้นะไม่ต้องไ ม, ไม่ต้องปฏิบัติก็ได้เหมือนกับน้ำในสระเนี่ยที่มันขุนเนี่ยถ้าเรามาตักน้ำไว้ในแก้วเนี่ยอยู่นิ่งๆนะเดี๋ยวน้ำมันก็ค่อยเริ่มจะใสละเรพตะกอนมันก็ค่อยนอนกลนเลยๆน้ำนี่ทอมันอยู่นิ่งๆเนี่ยมันก็จะใส ข, ขึ้นมาเองอาจจะใช้เวลาหน่อย คนเราก็เหมือนกันถ้าอยู่นิ่งๆเนี่ยมันก็จะมันก็จะสงบได้เองเป็นธรรมชาตินะแต่ถามว่ามันพร้อมจะขุนได้ไหมมันก็ขุนได้สุกเมือ่อเวลาเขย่าแก้วเนี่ยไอนะตะ ก, ก่อนที่นอนก้นมันก็จะฟุ้งขึ้นมาคนที่ไม่ปฏิบัติก็แบบนั้นแหละลก็คือว่าใจก็จะสงบได้เวลาที่อยู่นิ่งๆไม่มีอะไรมาเขยา่าไม่มีอะไรมากระทบ แต่พอมีอะไรมาเขยา่ามีอะไรมากระทบอะไรก็ฟุ้งขึ้นมาทันทีเช่นมีคนมาต่อว่ามีคนมาตําหนิหรือว่าใครพูดไม่ถูกใจนะมันก็ฟุ้งขึ้นมานั่นอย่าประมาทนะว่าเอ้ที่เราจิตเรามาสงบจิตเรามานิ่งๆเนี่ยเป็นเพราะเราปฏิบัติดีอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันสงบที่มันทุกอย่างราบรื่นปกตินะ ก็เลยไม่ต่างจากน้ำขุนที่มันใสขึ้นเองเวลาอยู่นิ่งๆถ้าเราจะอยากจะทดสอบว่าเราอยากจะทดสอบว่าเราเนี่ยปฏิบัติดหียยรรหรือยังรู้ทันอารมณ์หรือยังหรือว่าตัวตัวกูของกูมันลดลงหรือยังเนี่ยก็ลองไปเจออะไรที่มากระทบดูนะถ้ามันยังถ้ามีอะไรมากระทบแล้วมันฟุ้งขึ้นมานี่ก็เห็นแล้วว่าเออเรายังมีกิเลสยังมีความ ถือตัวถือตนแน่นหนาะอันนี้ก็ต้องปฏิบัตินะาการที่เราไปเจออะไรที่มาเขยา่านะเขย่าจิตเขย่าใจไปเจอแรงเสียดทานไปเจออะไรที่มากระทบกระแท่นนี่มันก็มีประโยชน์นะมันจะได้เป็นการพิสูจน์หรือทดสอบตัวเเองว่าเราได้ปฏิบัติได้ก้าวหน้ามากน้อยแค่ไหนไม่ใช่เก็บตัวอยู่แต่ในกุฏินะหรือว่าอยู่ในป่าอันนี้มันก็ มันก็แงะแล้วนะพออยู่ไปได้สักพักก็จะสงบ ก, ก็จะนิ่งไปเหมือนกับน้ำขุนๆนะมันก็จะใสขึ้นใสได้เองถ้าให้เวลามันอยู่นิ่งๆสักพักถนะ้าต้องลองไปเจอแรงเสียดทานดูมีเพื่อนคนหนึ่งเขาก็เป็นนักเขียนนะมีชื่อนะใครๆก็เรียกว่ามีมีแฟนประจำอยู่เยอะเป็นผู้หญิงนะแต่เขาก็สนใจพุทธศาสนา เขาก็มีวิธีการฝึกตัวนะแปลกๆนะที่จริงก็ไม่เชิงแปลกเท่าไหร่นะแต่ว่าอาจจะคนอื่นไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่คือเขาเป็นคนมีชื่อเสียงก็จริงแต่ว่านะปีหนึ่งเนี่ยเาจะหาเวลาเนี่ยไปเป็นสาวเสิร์ฟนะไปเป็นสาวเสิร์ฟในร้านอาหารของเพื่อนนะไม่ใช่ในผับในบาร์นะไปเป็นสาวเสิร์ฟถนะ้คนไทยเราเนี่ยเราจะไม่ค่อย ให้ให้ความนับถือหรือความเคารพสาวเสิร์ฟเท่าไร่เราก็มองว่าเป็นคนที่มีอาชีพชั้นต่ำถ้าคนไทยเราเป็นอย่างนี้นะมันความรู้สึกแบบนี้มันทำให้คนจนเขาเริ่มไม่พอใจที่เสื้อแดงลุกฮือขึ้นมาเนี่ยเขาก็ส่วนหนึ่งก็มีความรู้สึกแบบนี้ว่าการไม่การดูถูกเหยียดหยามคนจนนักเขียนคนนี้เขาก็ เขาก็ไปนะไปลองเป็นใช้ชีวิตนะในช่วงหนึ่งไปเป็นสาวเสิร์ฟก็ทำามบทุกปีไปเสิร์ฟอาหาราก็ดูใจของตัวเองไปด้วยนะว่าเวลาคนมาสั่งอาหารนี่เขาเขาพูดเขาใจายอย่างไรนะเวลาเจอคนสั่งอาหารที่พูดจาไม่สุภาพนะเจ้ า, าหรือว่าจู้จี้นะ เขาก็จะได้เห็นใจตัวเองว่าเป็นยังไงจิตใจมันกระเพื่อมไหมนะคนที่ยึดถือมั่นในตัวตนเนี่ยนะั้นใครๆก็ชมนะพอมาเป็นพอมาทำงานแบบนี้ก็จะ ท, ทนไม่ไหวแต่เ้านี่ก็รู้สึกว่าเขาทนได้นะก็กลายเป็นเรื่องสบายนะพอทําอย่างสบายแล้วก็ไม่ก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นเครื่องฝึกได้เหมือนกันว่าเออมันช่วยทําให้ตัวตนเล็กลง ให้เราลองคนเราบางคนเนี่ยเวลาเป็นปภาษาพราั่งว่าซัมบอดี้นะเป็นคนเด่นคนดังแล้วพอกลายมาเป็นคนที่ไม่มีชื่อเสียงเป็นโนบอดี้นี่ที่มันทนไม่ได้นะนทนไม่ได้เพราะาคนเรานี่ต้องการเป็นเป็นซัมบอดี้นะอยากจะให้ใครรู้จักอยากจะประกาศตัวให้คนอื่นรู้ว่านะฉันมีกูอยู่ในโลกนี้นะ คนเรามีวิธีการประกาศตัวตนหลายๆแบบเพื่อให้โลกรู้ว่ามีกูอยู่ในโลกนี้วิธีหนึ่งก็คือการเขียนชื่อตัวเองตามที่ต่างๆโดยเฉพาะที่สาธารณะที่ที่ใครผ่านไปผ่านมาเมื่อปีที่แล้วไปเมืองจีนนะไปไปเที่ยวกำแพงเมืองจีนนะไม่เคยนึกเลยว่าโอกำแพงเมืองจีนนี่มันมีคนเขียนเขียนชื่อตัวเองเนี่ยติดตาม ติดตามกำแพงเนี่ยเยอะไปหมดเลยนะคือดูภาพถ่ายไม่เห็นนะแต่พอไปที่นั่นเนี่ยก็จะเห็นคนเขียนชื่อตัวเองมีหลายภาษามากเขียนชื่อให้ให้อ่านออกนะไม่ใช่เขียนชื่อแบบแบบเซ็นชื่อให้มันวัดวัดถ้าเซ็นชื่อวัดวัดนี่ก็อันหนึ่งแต่นี่เขาเขียนชื่อให้อ่านออกอันนี้เขาเขียนชื่อไปทําไมนะนะก็เดา ว, ว่าเขียนชื่อเพื่อที่จะประกาศตัวตนว่ามีกูอยู่ในโลกนี้โว้ย นะอยากจะให้คนเห็นว่ามีกูอยู่ในโลกนีนะ้เพราะว่าถ้าไปเขียนที่อื่นนี่ไม่มีใครเห็นต้องไปเขียนตรงที่มันเห็นชัดๆนะถ้าคนที่เขียนนี่ก็คงจะรู้สึกว่าถ้าไม่ได้ทำอย่างนี้ก็จะรู้สึกว่าไม่มีใครรู้ว่าฉันมีอยู่ในโลกาการการที่คนราวนี้จะทำร้ายใครสักคนเนี่ยวิธีการทำร้ายที่เจ็บปวดมากที่สุดคือการทาประหนึ่งว่าเขาไม่มีอยู่ในโลกนี้นะ เวลาเราต้องการจะทำลายเขาเนี่ยก็เพียงแต่ปฏิบัติกับเขาเหมือนว่าเขาไม่ได้มีตัวตนไม่พูดไม่จาไม่ไม่มองหน้าไม่คบหาไอ้เพียงทำแค่นี้ถ้าทำอย่างนี้พร้อมๆกันนี่ไอ้คนที่ถูกกระทำนี่มันก็บ้าได้เหมือนกันนะบ้าได้เหมือนกันอาจจะฆ่าตัวตายแล้คนที่ฆ่าตัวตายนี่เขาจะมีสาเหตุอยู่สองอย่าง อันที่หนึ่งคือว่ามีความทุกข์แล้วก็รู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่ารู้สึกว่าตัวเอนี้ไม่มีคุณค่าเลยดั้ที่สองคือว่าไม่สามารถจะจะพูดจะจากับใครได้ไม่สามารถที่จะบอกความรู้สึกของตัวเองกับใครได้คือรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างอันนี้ก็ครบสูดเลยนะครับทำให้กลายเป็นทาให้คนนั้นสวยเป็นโนบอดี้ขึ้นมานที่จริงอย่าว่าแต่คนเลยนะหมาก็เป็นนะ มันจะ ม, มันจะมีหมาพวกลึงเนี่ยที่จะเวลาเจ้าของไม่อยู่บ้านเนี่ยมันจะกัดมันจะกัดโซฟามันจะกัดกัดเก้าอี้บางทีก็ขี้เยี่ยวลงบนพรมเจ้าของเนี่ยพอกลับมาเนี่ยใหม่ๆก็อาจจะสอนอาจจะด่ามันก็ไม่ได้ผลนะกลับมาถึงบ้านทีไรมันก็ทําอย่างเดิมอีก ตีมันนะหรือแม้กระทั่งเตะมันมันก็ยังทำอีกนะมันแปลกมากมีหมาประเภทนี้อยู่แล้วก็เยอะด้วยนะจุนกระทั่งกลายเป็นปัญหาของเจ้าของหมาเจ้าของหมาไม่รู้ทำยังไงเตะมันก็แล้วตีมันก็แล้วมันก็ยังทำก็มีผู้ที่รู้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องหมาเขาบอกอย่าไปเตะอย่าไปตีมันเลยนะวิธีการง่ายๆก็คือว่าอย่าไปสนใจมัน เพียงแค่ไม่สนใจมันไม่ทักไม่ทายมันเสมมติก็ว่ามันไม่ได้อยู่ในที่นั้นเนี่ยแค่นี้แหละมันก็จะเลิกนิสัยเพราะว่าการไปเตะไปตีมันทําให้มันรู้สึกว่าเออทําอย่างนี้แล้วได้ผลนะคือมันต้องการเรียกร้องความสนใจเนี่เมื่อคือเมื่อคิดว่าทําอย่างนี้แล้วเนี่ยเจ้านายจะสนใจมันมันคิดว่าการที่เจ้านายเตะตีมันเป็นแสดงว่าเจ้านายสนใจหมามันก็ต้องการเรียกร้องความสนใจนะอะไรที่ทําให้เจ้านายสนใจมันทำทั้งนั้นแหละ เช่นขี้เช่นเยี่ยวหรือว่ากัดสารพัดแต่พอเจ้านายไม่สนใจมันมันก็รู้ว่ามันทำผิดแล้วมันก็รู้ว่ามันทำไม่ถูกแล้วแล้วมันจะเจ็บปวดมากเลยมันรู้สึกว่ามันถูกลงโทษแล้วและนั่นแหละมันก็จะเปลี่ยนนิสัยกลายเป็นหมาเรียบร้อยนะนะวิธีการที่เมินเฉยหมานี่มันก็เป็นการลงโทษหมาที่หมาเองมันก็รับรู้ได้นะ จะเร่มามันมีอัตราก็ก็อาจจะได้เหมือนกันนะอันนี้พูดนี่ไม่ได้แนะนําให้ทํากับคนนะแต่ว่าให้รู้ว่าคนเราเนี่ยมันมันก็มีความรู้สึกที่ต้องการเป็นซัมบอดี้ไม่ใช่โนบอดี้เพราะมันมีตัวกูอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติจนถึงขั้นว่าเออจริงๆเห็นจริงๆเลยว่าไอ้มันไม่มีตัวกูนะไ อ, ไอ้ที่ว่าเป็นโนบอดี้นี่มันเป็นจริงๆนะมันทุกมันไม่มี ไม่มีไอซัมบอดี้นี่มันเป็นของของที่ปรุงแต่งขึ้นมาก็รู้นะแล้วก็วางได้นะคนเรานี่ถ้ายังถ้ายังมีความรู้สึกว่ามีตัวกูอยู่เนี่ยมันทนไม่ได้เลยที่จะเป็นโนบอดี้ทางด้านที่ความจริงคนเราทุกคนก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแหละคือพอเราพอเราตายแล้วก็ก็ไม่มีก็สักวันคนก็ต้องลืมเราแต่คนเราเนี่ย กลัวที่จะถูกคนลืมเราก็เลยพยายามทำอะไรสารพัดเพราะกลัวจะคนเขาจะลืมเรานะเพราะความรู้สึกว่ามีตัวกูกกนี่ที่มันต้องการประกาศประกาศตัวตนอยู่เรื่อยนะอันนี้เราก็ต้องต้องรู้เท่าทันมันด้วยนะถ้าเรารู้เท่าทันแล้วนะมันเราจะชีวิตเราจะโปร่งเบานะนก็ไม่กระเทือนถึงใจนะเพราะเรารู้ว่านะ มันมันไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นเลยสักอย่างไอ้เรื่องความยึดถือมันก็ทาให้คนเราทุกข์นะแต่พอเราเราไม่ถือแล้วเนี่มันก็ไม่ทุกข์ไม่ใช่เฉพาะเรื่องตัวตนอย่างเดียวแต่เรื่องอื่นด้วยอท่านวอวิชาราเมธีท่านเคยเล่านะมีพระเป็นนักมวยเป็นนักมวยมาบวชนะมาบวชกับท่านแล้ววันหนึ่งขณะที่เดินพิธบารเนี่ยก็มีนักพลที่พระที่เป็นนักมวยเนี่ยท่านก็ เจอคนใส่สูตรนะด่าท่านอยู่กลางถนนท่านโมโหมากฮึดฮัดแต่ว่าท่านวอลท่านก็ห้ามเอาไว้ว่าอย่ไปอย่ไปเป็นนักมวยบนกลางถนนเราเป็นพระนะกลับไปที่วัดก็ยังฮึดฮัดอยู่นะวันนี้ถ้าถ้าผมไม่ใช่พระนี่ผมต่อยมันไปและนะท่านก็เตือนก็ยั้งเอาไว้วอย่าทำอย่างนั้นวันรุ่งขึ้นท่านก็บินทะบาดอีก นะพระนังมวยก็ตามไปด้วยเช่นเคยก็ไปเห็นชายใ ส, ส่สูบคนนี้อีกแต่คราวนี้เขาไม่ด่าใครแล้วเขาร้ อ, องลิเกยอยู่ตรงป้ายถนนพอเห็นไอ้พรพระนังมวยนี่เห็นนะชายใ ส, ส่สูบคนนั้นร้องลำลิเกเนี่ยแกหายโกรธเลยนะเพอรู้ว่านี้มันบ้านะจะถือมันทําไมนะแ ก็หายโกรธทันทีเมื่อวานนี่ไม่รู้เมื่อวานนี่นึกว่าเขาด่านึกว่าเขาด่าเราจริงๆแต่พอเห็นว่าเป็นคนบ้าเนี่ยนหะเราก็ไม่ถือเลยนะเราก็เหมือนกันนะถ้าคนบ้าด่าเราเราก็ไม่ถือใช่ไหมแต่เมื่อใดก็ตามที่เราถือเพราะความไม่รู้คือไม่รู้ว่าเขาบ้าเราก็โกรธไอ้การถือเนี่ยสำคัญมากนะไม่ว่าจะถือตัวถือตน หรือว่าถือกับอากับกิริยาของใครที่อยู่ข้างนอกมันก็ล้วนแต่ทาให้เป็นทุกข์ได้ทั้งนั้นนั้นถึงแมว่าเราจะยังยังถือตัวยังไม่สามารถจะละวางความยึดถือในตัวตนได้แต่ว่าก็ถือตัวให้น้อยลงแล้วก็ถืออากับกิริยาของผู้คนให้น้อยลงด้วยบางทีเราไม่รู้หรอกคนที่เขาทำอะไรเราเนี่ยเขาก็อาจจะอาจจะไม่บ้าแต่เขาจะ มีปัญหาบางอย่างเหมือนกับที่เราไม่ถือคนบ้าไม่ว่าคนเมาเนี่ยเราก็ไม่ทุกร้อนอะไรกับการกระทำของเข า, เาลองสังเกตดูว่าเราถืออะไรหรือเปล่าที่ทำให้เราทุกข์เมื่อเราไม่ถือมันก็ไม่ทุกข์ก็เท่านั้นแหละเอาละคำนี้ก็พูดกันเท่า น, นี้อ้าวกราบพ